อยู่ด้วยความสงบมันก็เย็นอยู่ด้วยความไม่สงบมันก็เดือดร้อนตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟเบ้าอกร่างกายใจก็เป็นไฟเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดไฟใหม่จะของแล้วยังคอยใหม่คนอื่นเพราะเหตุว่า ไฟไหม่ไหมแห้งไหม่สดไมมแห้งทั้งพวงหมดมันไหม่แต่ก่อนแล้วมันจะค่อยลามลุกลามไปไหม้ไหม้สดชั้นใดก็ชั้นนั้นมันต้องไหม่ตัวของเราแตก่อนให้เห็นโทษถ้าหากไม่เห็นโทษมันก็ไม่มีเวลา ส ง, งบส ง, งบได้ในใจของเราเป็นมุ่งแพ่งจะเห็นโทษคนอื่นไม่เห็นโทษตัวเอง่อเลยเป็นไฟเผาผ่านซึ่งกันและกันธั้นั้ตาเป็นไฟถ้าหาก็เห็นโทษ เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วว่าไฟเมื่อเกิดขึ้นที่นี้คนอื่นของใครก็ของมันคนอื่นก็หมดเรื่องไปสงับตัวเองแล้วก็แล้วไปลาสกินาโทสกินาโมโฮกินาพระพุทธ เ, เจ้าท่านเทศนาวาลาคะ โทสะโมหะเป็นไฟร้อนตั้งแต่ต้นทีแรกราคะโทสะโมหะมันเกิดร้อนแต่ทีแรกคือตัวของเราเกิดความร้อนขึ้นมันยังคอยลุกลานไปหาคนอื่นให้เห็นใจของตนทุกๆคน แห่งพิจารณาตัวของเรามันเมื่อเกิดวับแวบขึ้นมาครั้งแรกนั่นนะเมื่อเกิดราคะเมื่อเกิดโทสะเมื่อเกิดโมหะขึ้นมาแต่ที่แรกเมื่องับเบื้องตนถ้าต่างคนต่างละงับอยู่มากเลยก็เป็นสุขอยู่กี่ร้อยกี่พันก็เป็นสุข ถ้าหากไวม่ระงับอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ไม่ต้องหาหมู่ก็สองคนละราคะมันเกิดขึ้นที่ใจโทสะก็เกิดขึ้นที่ใจโมห oh ะก็เกิดขึ้นที่ใจมันราคะความกำหนัดยอมใจ ให้กระสับกระใสนอนเดียวคนเดียวก็นอนไม่หลับกิ้งเกือกอยู่นั่นแหละเดือดร้อนดียคนเดียวโท้สะก็กี้ยงเกือกอยู่นั้นโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ในผลที่สุดตัวของเราก็โกรธเรา โกรดเราแล้วแต่ก่อนวันนี้ก็โกรธคนอื่นโมหะคือความหลงหน่าที่ไปฟังแล้วมีอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นอยู่แต่ไม่รู้เรียกว่าโมหะวิชานั่นคือไม่เห็นเชื่เลยไม่เข้าใจเชื่เลยอันนี้มีอยู่ ลาคะความกำหนัดยอมใจเป็นของมีอยู่ในใจของเราแต่ในใจนั้นไม่อยากระงับแต่ในใจนั้นไม่อยากให้มันหายยังเสียดายความกำหนัดยอมใจอ น, นั้นเสียดายไว คิดเวนึกเวนตรึกเวนตองเห็นน่ะเป็นการสนุกเห็นเป็นการเพลินสนุกชอบใจนั่นโมหะคือความหลงหลงเข้าใจผิดคิ ด, ดว่าถูกโทสะก็เช่นนั้นเหมือนกัน เกียกโดโกรคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของดีมีอำนาจมีปาฏิหาริย์สามารถกดขี่คมเหงคนโน้นคนนี้ได้ถ้าหากไม่แสดงโทสะก็ดูมึกกะอยู่เฉยๆไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ดเดชนั้นแสดงออกมาปรากฏว่า เป็นของดีเด่นเลยเข้าใจว่าของดีเลยไม่อยากละไม่อยากทิ้งยินดีพอใจกับมันโมหะความรุ่มหลงของมีอยู่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันของมีอยู่ราคาโทสะ มันเป็นเหตุให้โทษเกิดขึ้นในใจแต่เสียดายเลยไม่อยากคิดอยากคน้นไม่อยากหาเหตุผลเรื่องมันเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจคน้นเหตุผลในเรื่องนั้ น, น, นเมื่อไม่ถึงเหตุถึงผล มันก็ไม่ถึงที่สุดข้องโมหะความเสียดายอะไรมันยังเกิดมีขึ้นมาได้พ้ะพูดที่เจ้าท่านสอนอคนเรานั้นร้อนแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดคือแต่ตัวของเรา ร้อนพ่อลาฆะโทสามโมหะนังอธิบายให้ฟังมานี้แล้วร้อนติดตัวของเราเนี่ยแหละังไปมปขอให้ความไปทําให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนอื่นร้อนนั้นอะไรนะข้อสนธิโลกดีดีเนี่ยแหละความร้อนนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์กว่าสนธิโลกดีเนีนย มนุษย์คนเรามันมีลาค่าโทษสาอยู่แล้วคดตกนรกทางเป็นนรกไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ลาค่าโทษษาโมหะนี้ทางนั้นจะเป็นตกนรกนั่นก็เกิดจากนี้ราค่าโทษสาโมหะนี้ ถ้ามีราคาโทษสามโมหะมันก็ไม่ตกนรกเหตุนั้น น, น, นรกที่ตกคือเดี๋ยวนี้แหละที่เป็นเดี๋ยวนี้แหละรอบๆตัวของเราเดี๋ยวนี้อ่ะทายเห็นลูกเกิดความโกรกความโกรกความห ล, ลงกลโอ้โได้ฟังเสียงแช่มูสูกกินลล่นถูกรส ไดถ้ถูกสัมผัสเกิดความกำหนัดรักใครเรียกว่าราคะเกิดโทสะไม่พอใจโทมนัสน้อยใจขึ้นเรียกว่าโทสะเกิดโมหะ ของทั้งหลายแล้วนี่มันเป็นของร้อนเผาตัวของเราอยู่ทางกลางวันในกลางคืนแต่ไม่ยอมสละเปลืองทุกออกเรียกว่าตกนรกทางกลางวันในกลางคืนถ้าเห็นเช่นนี้แล้วพึ่งปล่อยวางเสียเอานรกม า, มาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวรรค์ เปียนเป็นสวรรค์เมื่อราคาเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นให้รู้จักรู้เรื่องของมันแลงับดับมันไปโทษสาเกิดขึ้นพิณ า, าเหตุผลของมันจนระงับดับไป ขอหาเกิดขึ้นก็หายระงับให้พิจารณาหาเหตุผลแล้วก็ระงับดับไปตัวของเราก็เย็นมีตาก็เป็นของเย็นส่งสายไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม่นำโทษทุกมาให้ เห็นพระเห็นสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธรูปปฏิมาก่นเพลินสนุกดีกว่าไปเห็นแล้วเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาทั้นสิ่งที่มันน้อยใจโทมนัสก็อย่าไปดูมัน ไปดูสิ่งที่ให้เพลิดเพินเจริญใจมันก็กลับเป็นสวรรค์ขึ้นมาโมหะมันล่มหลงแล้วก็พิจารณาจะให้มันหลงเห็นความดีความเด่นขึ้นมาปรากฏชัดขึ้นมาด้วยปัญญาของเรา มันก็เพิดเพลินอีก <Okay. S 1> คับความเห็นอันนั้นมันก็เปลียนสวรรค์ขึ้นมาทั้งหกนี่แหละเรียกว่าสวรรค์ชั้นหกชั้นแต่ว่าสวรรค์มันยังอยู่ใกล้นักมันใกล้ต่ออันตรายคือมันอยู่ชั้นต่ำ ชะกาสมาพระจอสวรรค์หชั้ น, นมันสามารถที่จะกลับกายไปตกนรกได้คือสามารถที่จะกลับไปเป็นนรกของเก่าจึงว่ามันอยู่ใกล้นักอยู่ใกล้กับนรก เพราะฉะนั้นจึงทำสวรรค์นี่ละให้เป็นอินเป็นพรมให้เป็นพรมขึ้นไปทำใจให้สูงพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงทุกอนาตาได้ฟังสิ่งต่างๆก็เชฉะนั้นเมื่อนกัน ได้กลิ่นได้ลดทึกโผทพะก็พิจารณาอ น, นิจฉังทุกขังนาตามันยังขึ้นสวรรค์มันยังสูงขึ้นไปถ้าไม่ชนั้นแล้วมันจะกลับมาลงนรกอีกทำให้สูงขึ้นไปจนกระทั่ง ใจของเราเห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรูปปรากฏเป็นสภาวะไม่ใช่รูปรูปก็ซักแต่ว่ารูปคือไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ตัวตน ความก็นัดจะยินยินดีจะมีมาจากไหนเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันจะมีความก้าหนัดยินดีมาจากไหนมันทักเป็นอยู่ธรรมดาแต่เรายังวันนั้นเกิดพุ่นเขาเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น น ล, ลดโผฏฐะผ้าทั้งหลายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเราเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่เกิดมาก็เป็นอยูน่นั้นแต่ไห้นแต่อะไรมาหากมีอยู่นี่เราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอาไปเรา เมื่อเกิดแล้วเราไปยึดเราไปเกิดแล้วไปเกิดมาแล้วถือว่าเราเห็นถือว่าเรารู้เรืไปยึดเอาของอันนั้นมาเป็นเราเป็นตนเป็นตัวมันยังเป็นเหตุใ้เกิดลาคะเป็นเหตุให้เกิดโทสะน้อยอกน้อยใจ โมหะรุ่มหลง ม, มัวเมานี้ถ้าหาเห็นสภาพผาเป็นจริงอย่างนี้แล้วการถือตนถือตัวก็ไม่มีละมานะทิฏฐิเรียกว่าไม่ถืออัตตาเป็นอนัตตา ไม่มีสาระเพียงแค่นั้นพิจารณาลงอย่างนี้จึงพ้นจากจึงพ้นจากเป็นเทวดาพ้นจากพรหมสูงสุดกว่าพมคือโลกุตระเพราะฉะนั้น ต้งพากันให้เห็นตัวของเหล่านี้เป็นบอ่อเกิดของนรกก็ได้เป็นบอ่อเกิดของสวรรค์ก็ได้เป็นบอ่อเกิดของพรหมก็ได้เป็นที่ตั้งของโลกุตตรธรรมก็ได้ถ้าหากว่าพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะนำมา ค, ความสุขความสันติเราอยู่ในที่ใดก็สงบไปในที่ใดก็สงบไม่มีภยัยไม่มีเวรไม่มีความเดือดร้อนเอาละแค่นั้นแหละของความทุกข์มันเกิดนิดเดียวไม่ใช่เกิดมากมายเลยหรอกถ้าหากประมาท ก็เป็นเหตุให้ใหญ่โตก้ ว, วงๆวงต่อไปคือว่าเราคิดเดียวเม็ดพัน์พักกาดนิดเดียวเท่านั้นนะมางอกออกมาเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตเขาทานใหญ่จนกระทั่งได้ตั้งโมแกงหนึ่งด้วยใหญ่มากเข้าไปคนนั้นอีก ราคะมันอยู่ที่ใจของเรานะนิดเดียวความกำหนัดความยอมใจความเพิดเพลินความเยินดีอยู่ในนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่หากปล่อยตามใจมันมันขยายกวงขวงออกไปแพร่หลายออกไป ว่องมดทั้งโลกมันนิดเดียวเท่านั้นโทรศัพท์ก็เหมือนกันมันนิดเดียวเท่านั้นแหะแพรพายออกไปจกนกระทั่งประหัดประหารฆ่าฝันกันตายนับไม่ถ้วน จนโลกอันนี้คลิปหายโมหะก็เช่นนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าโลกคลิปหายด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟน้ำก็คือราคาด้วยน้ำํำด้วยลมด้วยไฟด้วยไฟก็คือโทสะด้วยลมก็คือโมหะ มันใหญ่โตกว้างขวางถึงขนาดนั้นแต่เราไปประมาเทเสียทำให้เกิดขึ้นมาแพร่ไปพุ่งขวงางออกไปจนไม่สามารถจะระ ง, งับดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะระ ง, งับดับต้องดับที่ใจ อบรมที่ใจให้สงบเห็นเฉพาะในใจของตนเท่านั้นไม่ต้องไปไล่ขนาบคาตีมันมากหมายปวงขวั่งเห็นที่จิตวับแวบออกไปขนะใดาก็ ระงับในขณะนั้นน่ะตั้งสติคุมจิตให้อยู่มันออกไปจากจิตเบื้องต้นก็คุมจิตให้อยู่เมื่อจิตอยู่แล้วจึงค่อยเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องราคะโทสะโมห oh ะ ก็จะเห็นของจริงขึ้นมาถามคำสองกุยเจ้าสอนน้อยนิดเดียวไม่ได้สอนมากสอ น, นินที่เดียวสอนที่ใจให้เห็นใจอย่างเดียวก็มดเรื่องเพราะฉะนั้นจึงคุ้มใจให้อยู่รักษาใจให้ได้ จึงจะชำระใจของตอนให้บริสุทธิ์ราวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั่นมันวุ่นวายเด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบ จะเกิดขึ้นมาจะยุ่งแล้ว่ดี๋ยวนั้นสิ่งที่ควรทําคือทําความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหลือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สักห้านาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งเนยะหมดวันแลเปล่าหมดวันแล้วเสียเปล่าเดือนหนึ่งกับหมดเดือนแล้วเสียเปล่า ชีหนึ่งก็หมดไปเทียบเราชีิปหา้าเทปีก็หมดไปไม่จ่ายจะทำยังไงอ้าว่นานพจาณาเปิดไปนนนะใช่ของยากแต่ไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั้นของทำง่ายนิดเดียว มันจอไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทาได้ใจของเรามันของดือ้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็บความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระพระธานมากมาย เวลาจิตสงบแล้วเทีงมดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นอะไรยังว่าความสุขอัะไรจะเสววมอได้กกองสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้างก็ทำได้ ูใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นคนของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้ถนะ้าทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี้นั่นตั้งจิตทุบคิดคุณอะกันนี่ยตั้งสติ คือผู ล, ลึกได้นั่นแหละทำนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติเข้ามาลึกได้นั้นไปควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเอางไม่ทันอยู่ก็เอาพุโทโธนึกพุโทโธไว้เป็นเครื่องอยู่เครื่องควบไปว้ก่อนควบคุมเอาพุาโทโธนะคุมไว้ แล้วก็กำนดกูรูไอ้ผูที่มันคิดมันนึกันะเอาหุดโธหุดโธแล้วอนาขาสติก็ได้เป็นเครื่องขูกไว้ให้ใจมั่นคงใจแ้วถ้าหากมันมีเครื่องขูกเชื่อเลยก็อยู่ยากค้อมีตนมีตัว กา น, นึกผูโทรนั้นหมายความว่าใจอยู่กับผู้โทอันเดียวเน้อตาฝ่าสติใจอยู่นนอันเดียวเอาอันเดียวจะอันใดก็เอามันใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจารณาจิตนั่นสำคัญคุณคิดคุณนึก น, นให้เห็นว่าคิดดีคิดชัว่วคิดใกล้คิดไกลหยาละเอียดถ้าได้เห็นอยู่ทุกขณะ การฝึกหัดการฝึกหัดแดดเนียดเรียกวาภาวนาเดี่ยกวกรรมฐานอบรมกรรมฐานอบรมภาวนามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ขอให้เห็นอยู่ทุกเมื่อให้มันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทําความชั่วอะไรความผิดคิดผิดคิดได้ เพราะชั่วความชั่วและความผิดที่สิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นแน้่ไม่สามารถทำแล้วอันนี้มันไม่เห็นน่ยที่มันยังทำมันจะคิดนึ้